ท่านฟังข่าวสําหรับพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในวันนี้อยู่ในภาคของการปรินิพานนะคะโดยก่อนที่จะปรินิพานนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จเมืองปาวาค่ะแล้วก็ได้ตรัสกับพระอา น, นุนดังนี้นะคะว่าอานนุ์มาเถิดเราจะไปสู่เมืองปาวาในที่นี้ประทับที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกับมาอขอภัยค่ะของนายจุนทะกัมมารบุตรทรงแสดงธรรมแก่นายจุนทะ แล้วก็เสด็จไปรับพระทหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้นและตรัสกับจุนทะนะคะว่าจุนทะสูกระมัถวะที่จัดไว้จงนามาเลี้ยงเราคาธนียะโภชนียะอย่างอื่นที่ตกแต่งไว้จงนำไปเลี้ยงภิกษุสงฆ์จุนทะสูกระมัถวะที่เหลือนี้จงฝังเส้นในบ่อเราไม่มองเห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกมูสัตพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่บริโภคแล้วจัดให้ย่อยได้นอกจากปถาคตสุกระมัถวะตามความหมายที่ผู้รวบรวมได้ขยายความไว้นะคะ บ, บอกว่าเคยแปลตามๆกันมาว่าเนื้อสุกรอ่อนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีการค้นคว้าของนักศึกษาทั่วไปจนถึงกับไม่ถือว่าคำแปลว่าเนื้อสุกรอ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องน่าจะเป็นพืชมีพิษชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่า ก็จึงได้สรุปว่าไม่อาจแปลว่าเนื้อสุกรเหมือนที่แล้วมาทิ้งทับศัพท์ไว้เป็นภาษาบาลีเดิมคือสุกระมัทวะไม่ต้องแปลอันนี้เป็นหมายเหตุของผู้รวบรวมก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเล่าให้ฟังนะคะว่าได้ไปที่บ้านของนายจุนทะไปรับพระตาหารแต่เสร็จแล้วเนี่ยมีพระตาหารหลายอย่างก็สรงจำเพาะว่าสุกระมาถวะเนี่ย พระพุทธองค์เสวยสุกรมัถวะเองในขณะที่อาหารอย่างอื่นนั้นก็ได้ให้ไปเลี้ยงภิกษุสงฆ์ในรูปอื่นๆโดยให้เหตุผลว่าไม่มีใครนะคะที่สามารถที่จะให้ระบบของร่างกายเนี่ยย่อยสุกรมัถวะได้นอกจากพระพุทธองค์แม้แต่พระพุทธองค์เองนะคะเมื่อได้เสวยไปแล้วเนี่ยก็ถึงแก่อาการประชวนค่ะประชวนด้วยโรคที่เรียกว่า ปักขันที่กาพาดอย่างแรงกล้าจวนสิ้นพระชนมายุแล้วตามพุทธประวัตินั้นการประชวนเนี้ยก็นำไปสู่การปรินิพานในที่สุดในส่วนของการปรินิพานก็ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วนะคะติดตามรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังบางท่านที่ได้เดินทางมารับหนังสือเองถึงที่สถานีวิทยุ fm 106ครอบครัวข่าว หนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เลยได้จัดหนังสือเล่มอื่นๆมอบให้ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคู่มือของพระโสดาบันหรือว่าคุณสมบัติพระโสดาบันส่วนที่ถามว่าจะไปวัดนาป่าพงที่แจกหนังสือได้อย่างไรนั้นก็อยู่ลำลูกกาคลองสิบนะคะไปไม่ยากเข้าไปในคลองสิบถ้าไปทางลำลูกกาก็ เกิโลเมตรถึงแล้วส่วนถ้ามาทางหลังสิตก็เข้ามา3กิโลเมตรนะคะถ้าจะไปวัดป่าดอนหายโศกเด๋ยวพรุ่งนี้บอกและกันจะให้ท่านจันภัยบุญอภิปุโนซึ่งท่านอยู่ที่นั่นเนี่ยได้เป็นผู้ที่แจ้งให้ทราบเองเพราะเห็นว่าหลายท่านสนใจนะคะที่จะไปที่นั่นวันนี้เราคงจะต้องร่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเวลาจวนเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ